คนี้ก็จะย้อนเวลาไปสมัยราัชากาลที่4ไปฟังเรื่องราวของสมเด็จพระจันร์โตผมลงังศรีวัละคังถ้าผู้พู ด, พดเล่าภาคก็ขออภัยด้วยเพราะว่ามันต่างยุคต่างสมัยกันเรื่องคำพูดเล่าเท่าที่จำได้มีอยู่ครั้งหนึ่งหลวงพ่อโตได้รับนิมนต์พุทธรรมะหรือเทศเทศคู่กับ พ, พระพิโมนธรรมหรือเจ้าขุนถึก แห่งวัดประเชดุพลเทศสองธรรมาตสมัยก่อนนิยมกันโดยอีกฝ่ายหนึ่งถามอีกฝ่ายหนึ่งตอบเจ้าคุณถึกก็ตั้งประเด็นขึ้นมาว่าโทโศเมื่อเกิดขึ้นกับใครก็ทำให้ผู้นั้นเนี่ยต้องเดือดร้อ น, เ ส, สสนเสียทรัพย์สินเสียที่เสียทางเสียพี่เสียน้องเสียเพื่อนเสียผู้เสียคนเพราะรู้แก่อานาจของโทโศทาให้ ต้องทุกข์และลำบากแล้วถามหลวงพ่อโตว่าโทโศเกิดที่ไหนเกิดขึ้นได้อย่างไรข อ, อนิบนตอบให้ข่าวด้วยครับคำว่าขาวก็คงจะตอบให้เคลียแหละหลวงพ่อโตก็แก้งนั่งหลับไม่รู้ไม่ชี้เจ้าคุณถือก็ถามต่อถามเหมือนเดิมแหละอีกส3าครั้ง หลวงพ่อโตนั่งหลับละกนด้วยเจ้าคุณถึกชักไม่ค่อยพอใจแล้วอารมณ์เริ่มขึ้นแล้วก็ถามใหม่ตีถามมาตวาดละแบบทํานองต่อว่าถามไม่ฟังนั่งหลับในคือผู้เสียงน้ำเสียงโมโหหลวงพ่อโตก็แก้งตื่นไม่คุกแก้งหลับแล้วก็ด่าไปด่าไปว่า ไอเป็ดไอกากไอหาไอถึกกวนคนหลับเจ้คุณถึกโมโหอยู่ตัวสั่นเลยอยู่บนธรรมมาเนี่ยขาดสติจึงฟ้ากระโถนอยู่ข้างๆเนี่ยเฟี้ยงไปที่หลวงพ่อโตแต่เฟี้ยงไม่ถูกนะไปโดนเสาแตกดังโะสมัยก่อนน่าจะเป็นกระโถนกระโถนดินเผาอะ่ะแตกง่ายผู้คนที่เดียดสาลาเนี่ยตกกระจัยแต่หลวงพ่อโตนิ่งสงบ แล้วก็แล้วก็เอ่ยคิดบอกว่าโทโซโอหังเกิดเมื่ออนันธิธาลมคือเห็นรูปที่ไม่น่าดูได้ยินเสียงที่ไม่น่าฟังได้ดมกลิ่นได้กลิ่นที่ไม่น่าดมได้รสลิ้มรสที่ไม่น่ากินสัมผัสที่ไม่สบายและความคิด ที่ไม่ถูกใจกระทบมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็พูดไปทางเจ้าคุณถึกว่าควบคุมอารมณ์โกรธไม่ได้จนต้องแสดองออกมาโทโสถึงจะมีอำนาจอิทธิพลแค่ไหนก็ไม่สามารถกดขี่ขี่คอเจ้าของได้ถ้าเจ้าของไม่โง่ขาดสติ โทโสก็ทำอะไรไม่ได้และยกตัวอย่างเจ้าขุนถึกให้ญาติโยมฟังว่าเจ้าขุนเจ้าขุนถึกเนี่ยเป็นพระไม่สำรวมสังวรจึงเป็นพระกระโถนแตกหลวงพ่อโตเนี่ยท่านพูดจริงนะแต่ว่ากระทำให้เจ้าขุนถึอ ก, กเสียหน้าคือยกเอาตัวอย่างจริงๆมาให้เห็นเลยชีย้ให้เห็นเชีย้ถึงอารมณ์เฉพาะหน้าไงอาโทโสได้ไปแบบนี้นะ ทำให้พอเผยสติเนี่ยก็ทําอะไรที่คนปกติทําไม่ได้ไงอันนี้เทศแบบเทศแบบของจริงไงเชื่อเห็นอารมณ์จริงๆก็ทําให้โยมเห็นอารมณ์จริงๆแล้วเกิดประโยชน์ไงคือไม่ได้จํามาพูดสมเด็จสมเป็จโตหรือหลวงหลวงพ่อโตเนี่ยท่านก็จะมีเรื่องที่ท่านอึดดัดใจเพราะท่านเนี่ยเป็นเป็นราชาคณะชั้นสมเด็จและเป็เจ้าอาวาสวัดละคลัง บางครั้งถามอะไรปรึกษาอะไรกับพระในวัดก็จะได้รับคำอวยหรือดีด้วยเห็นด้วยทุกครั้งไปทุกคนก็เกรงใจไม่กล้าแสดงความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมาไงท่านก็คิดหาทางจะทดสอบพระในในวัดอนะแล้วอยู่มาวันหนึ่งก็มีโยมเนี่ยนำแกงวุ้นเส้นฉามใหญ่เลยมาถวาย ถ้าจะขี้ดูไบขึ้นมาได้จึงให้เนนไปเอากระทะใบบัวมาแล้วก็ใส่น้ำก่อไฟต้มจนเดือดอะแล้วก็ให้ลูกศิษย์เนี่ยแปอาผักบุ้งที่อยู่ในกองขึ้นมาแล้วก็หั่นป้องๆ้อ ง, องแล้วก็นําแกงวิเซนเนี่ยกระเพาบุ้งเนี่ยลงเท ร, รวมกันในกระทะแล้วก็นำอาหารที่เหลือจากการฉันเช้าเนี่ย ใส่รวมไปด้วยจนดูแล้วไม่น่าทานเลยหลังจากอาหารเสร็จแล้วท่านก็บอกเนนให้ไปประกาศในวัดว่ามือเพนก็ น, นิมนต์พระกุญเจ้ากับเนนมารับพัฒาหารด้วยวันนี้ขวโตทำเองกับมือนะถึงเวลาพระเนนก็นำอาหารที่ท่านทำวยแหละนำแกงแกงร้อนเนี่ยเอาไปทานกัน คันถึงตอนเย็นหลวงพ่อโตก็ไปดักที่โบสเลยเพราะว่าพระต้องมาทำวัดส่วนบนเย็นท่านกระถามเรียงเทียรูปอ่ะแกงของฉันเป็นไงจ๊ะเป็นไงบ้างพระที่เดินผ่านก็อร่อยดีครับถามจนหมดก็ทุกทุกรูปตอบอร่อยหมดจนมาถึงหลวงตาท่านหนึ่งที่บวชมานานท่านก็ถามหัวตาแกงร้อนของฉันเนี่ยรสชาติเป็นไงบ้าง หัวตาก็ยกมือไหว้แล้วเอ่ยคิดว่าไม่ไหวพระเถรพระคุณท่านก้าวกับผมเนี่ยเทให้หมาหมาเันยังไม่กินเลยหลวงพ่อโตก็พดมือสาตุสาธุหัวตาพูดถูกต้องแล้ววันนั้นทำวัดเย็นเสร็จหลวงพ่อโตก็อบรมพระเนรในวัดเรื่องการพูดมุสาโดยยกเอาหัวตาเป็นตัวอย่าง ของการพูดตรงไปตรงมาเรื่องนี้เกิดขึ้นทั่วไปแหละถ้าใครอยู่ในตำแหน่งที่สูงเป็นเจ้าวาดเป็นเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเจ้าตาบลหรือที่อยู่กับมีอำนาจมีผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียก็ส่วนรวมนี่แหละจะมีคนมายกมีคนมาอวยแล้วก็มีคนมาเอาใจสามารถชี้นกเป็นบ้ ช, ชี้อะไรชี้ถูกชี้ผิดได้หมดแหละเพราะคนสมัยนี้ก็มองเรื่อง เอาเอาผลประโยชน์ตัวเองเนี่ยเป็นหลักไงถ้าประจบคนที่มีอำนาจเนี่ยก็ยทาให้ตัวเองเนี่ยสุขสบายในรความสบายด้วยทั่วทไปก็ไปอย่างนี้นะก็มีน้อยที่จะพูดความจริงโดยไม่เห็นกับผลประโยชน์ส่วนตัวผิดก็คือผิดถู ก, กคือถูกเรื่องนี้ก็มีหน้าคิดไงสาหรับทั่วทไปเรื่องต่อมาก็มีมีพระอาจารย์เทศท่านอยู่วัดชนะสงครามท่านมีปัญหาขัดแย้งกับ เจ้าวาดคือพระครูรมชาญจนทำให้เกิดความทุกข์ใจมากพะเหลืองร้อนไม่มีทางออกจนได้ยินกิตติศัของและกวามเบตาของหลวงพ่อโตจึงพายเรือไปเลยพายเรือจากหน้าวัชรสงครามเนี่ยไปที่วัลคังคันไปถึงก็เข้าไปกราบแล้วก็เอ่ยขึ้นว่าก้าวกับผมมีเรื่องเดือดร้อนใจ ก็มาขอให้ช่วยครับหลวงพ่อพโตก็มองหน้าอาจารย์เทศแล้วเอ่ยขึ้นว่าถ้าอยากสบายก็ทำตัวอย่างหมาสิจ้ะอาจารย์เทศงงไม่เข้าใจเรื่องที่หลวงพ่อพโตพูดวพ่อโตอธิบายท่านเนี่ยมีปัญหาขัดแย้งกับพระครู ด, ดมชานมาใช่ไหมอาจารย์เทศงงหนักเข้าไปอีกเพราะยังไม่ได้เอ่ยอะไรเลยยังไม่ได้เล่าอะไรเลยว่าหลวงพ่อพโต ร, รู้ได้ไงเนี่ย ท่านก็อธิบายต่อว่าเวลาหมาสองตัวมันกัดกันนะอีกตัวหนึ่งสู้ไม่ได้มันก็ยอมแพ้ลงไปนอนหงายท้องและให้ตัวที่ชนะเนี่ยค่อมแล้วก็เห่าวางอำนาจก็ไม่กัดกันต่อละต่างฝ่ายต่างเลิกกันไปตอนหลังก็ตัวนี้ก็ไม่บารังยาตัวนี้อาจารย์เทศจิตเข้าใจตอนแรกก็ว่าจะมาพักที่วัดรักางพอหลวงพ่โต พูดจบ ก, ก็ลากลับแล้วตอนหลังท่านก็มีความผาสุกเพราะไม่ไปขัดแย้งกับเจ้าวาดนะอยู่กันแบบถ้อยทีถ้อยใสยกันตามที่ท่านบอกว่าถ้าอยากสบายก็ทําตัวอย่างหมาสิ จ, จ้าแม้แต่หมาก็สอนธรรมบ้าดได้หลวงพ่อโตท่านมีอยู่บายมากมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านได้รับกิจิมนไปเทศที่อภาวา อปัวกับวัดรักทางก็ไกลกันสมัยนั้นไปไหนมาไหนก็ลำบากต้องไปทางเรือเจ้าภาพเนี่ยเป็นเศรษฐีใหญ่ของบ้านอปัวเป็นคนที่มีหน้ามีตาและรวยมากหลังจากนิมนต์หลวงพ่อโตมาสำเร็จนะก็เตรียมงานใหญ่โตเลยจัดเครื่องทยธทานแล้วก็บอกบุญให้คนมาที่บ้านมากมายเลยแล้ววาดภาพในใจว่า หลวงพ่อโตเนี่ยคงจะเดินทางมากับเรือพระราชทานของรอสองคงมีลูกศิษย์ตามมาเพียบเพื่อให้สมกับฐานะเจ้าภาพก็เออาะเสียงดังกันแหละเพื่อให้เป็นจุดเด่นเพื่อให้คนในงานสนใจสักพักหนึ่งก็เห็นเรือเล็กๆมาที่กุ้งน้ำน้าบ้านเรือธรมธรมดาธรรมดา เศรษฐีก็ไม่สนใจหรอกเพราะไม่คิดว่าจะเป็นเรือของหลวงพ่อโตสักพักหนึ่งเพื่อเศรษฐีก็บอกนั่นเนี่ยหลวงพ่อโตมาถึงแล้วเศรษฐีรู้ผิดหวังมากเลยตอนแรกศรัทธามากตอนที่ศรัทธาตกแล้วเพราะไปคิดว่าหลวงพ่อโตจะมาเรือรับย่างด้วยฝ่าไปเจ้าภาพก็ลองนิมนต์ท่านไปพักผ่อนก่อนรอที่จะเทพเศรษฐีพอศรัทธาตกแล้วก็แอบเข้าไปแกะ เครื่องทยทานที่กะเตรียมถวายให้มากมายเลยนะลดลงตามส่วนแล้วก็ไปยอมออกมาฟังธรรมคันถึงเวลาหลวงพ่อโต ก, ก็เทศพุทธมะไปด้วยการที่พูดท่านพุทธมะเนี่ยมีการพูดที่ไหลลื่นแล้วไปโดนใจเศรษฐีเข้าตอนแรกเศรษฐีก็ไม่คิดจะฟังหรอกพอกได้ยินได้ยินธรรมะเนี่ยก็เกิดศรัทธาขึ้นมาอีกเทศดดีจริงๆเลย จึงนำของที่ตัวเองแก่ออกใอส่ไปเหมือนเดิมแล้วก็ออกมาฟังธรรมจนจบคันจบก็นำเครื่องไทยทานมาถวายหลวงพ่อโตก็บอกเศรษฐีว่าที่มาเนี่ยไม่ได้สนใจจะมามาเพราะเห็นแก่รับสักกาละเงินทองข้าวของใดใดทั้งสิ้นมาเพราะต้องการมาฉลองศรัทธาของเศรษฐีแล้วบอกเศรษฐีได้เป็นคนที่ ใจบุญมีเมตตาแต่ขาดศรัทธาเพราะติดในยศถาบรรดาศักดิ์แล้วท่านก็ให้ใข้อคิดต่างๆแล้วก็ให้นําของที่จะมานําถวายเนี่ยให้ไปให้พวกชาวบ้านที่ยากจนถ้าไปของพักก็ให้ไปแจกตะวัดต่างๆด้วยแล้วท่านก็กลับไปเลยโดยไม่ต้องให้เศรษฐีไปส่งอันนี้กเป็นเรื่องเล่าต่อๆกันมาก็มีเรื่องเกี่ยวกับรอสีด้วยนะรอสี มีอยู่ครั้งหนึ่งสมเด็จพระินทเก้าสวัสดิคตก็มีการนิมนพระมาสวดปฏิธรรมแปดรูปพระก็มานั่งที่อาสนะแหละคันสมเด็จพระจอมเกล้าอยู่หัวรัช ก, กาลที่สี่เสด็จมาถึงพระที่นั่งเนี่ยพระแปดรูปเนี่ยก็ดันกลัวขึ้นมากลัว กลัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะอาจจะกลัวกลัวเกงพระเจ้าแผ่นดินนอะวิ่งหนีไปแอบที่หลังพ่อม้านตรงหน้ารตรงโกรดอะ่ะทำให้ลอสี่โกรดกิ้วกิวแล้วลโกรดมากโกรดว่าเห็นท่านเผ็นพระ อ, องค์เนี่ยเป็นเป็นเป็นยักษ์เป็นมารเป็นเสืออะไรทางั้นแ่ะไม่ให้เกียรต เห็นแล้วกลัวจึงจะให้ศึกให้หมดพระ8รูปเลยจึงเขียนหนังสือใบให้สมเปต็โตให้ศึกพระ8รูปนี้หลวงพ่โตอ่านหนังสือ อ, นนส อ, อ่านหนังสือที่พรอองค์ส่งมาให้เนี่ยแล้วก็จุดทูปขึืนอสาดอแล้วก็นำทูปเนี่ยจี้ไปที่กระดาษตรงที่ว่างๆนะสามรู แล้วก็ไม่ได้สึกพระไม่ทำตามที่พระองค์ขอพระจอมก้าับกระดาษแผ่นนั้นมาเห็นกระดาษมีทูบอยู่สามรูไปปริานาทมก็เลยคิดขึ้นมาได้โอ้พระให้เราเนี่ยดับไปสามกองก็คือโลบกดหลงแลวพก็รู้แล้วก็เลยรู้ว่าพระโตเนี่ยขอไว้ไม่สึกพระทั้ง8รูปพระองค์ก็เรียกให้พระ8ดรูปมานั่งที่เดิมแล้วก็อบรม อบรมบรรดาญาติในการรับเสด็จหน้าพระที่นั่งเรื่องนี้ก็จบลงด้วยดีทำให้ออพระองค์พระงค์หายโกรธ ด, ด้วยถ้าเป็นคนอื่นก็คงไม่กล้าแต่หลวพ่อพโตก ล, ล้าไงเพราะว่าไม่ได้ทําตามคําสั่งเลยไม่ได้ศึกแถมยังมาสอนพระเจ้าแผ่นดินอีกมีอีครั้งหนึ่งหลวพ่อพโตเนี่ยได้รับนิมนต์ไปรับบาต ท, ที่สะระปฐุมสะระปฐุมก็ไปที่เป็นที่รอสีพานักอยู่แล้วก็ทุกเช้าเนี่ย จะให้พระราชาคณะเนี่ยภายเรือบรรดาศัดพระราชาคณะส่วนใหญ่ก็อายุเยอะแล้วแก่เท่าก็ต้องมาพักที่วัดปฐุมมนารามแหละต้องมาแต่เช้ามืดเลยถึงเวลาบิณฑบาตก็ภายเรือไปเองไม่มีลูกศิษย์ภายให้สาเร็จหลวงพ่อโตก็มากับพระราชาคณะหลายรูปนะวันนั้นหลังจากภายเรือบรรบาดเสร็จแล้วท่านก็ไม่ยอมไปไหนท่านก็ภายเรือวนอยู่ตรงนั้นแหละ วนไปวนมาไม่ยอมกลับต่อหน้าพระพักทำให้ลอสีเนี่ยทรงกิ้วหรือเอยถามว่าทําไมถึงไม่ยอมไประบาดแล้วทาไม่ยอมไปหลวาพโตก็ตอบว่าที่พายเรือวนไปวนมาเนี่ยเพื่อพระราชาคณะที่แก่เท่าเนี่ยแล้ว่ายน้ำไม่เป็นเกิดเรือล่มจะได้ช่วยทันคำตอบนี่ก็ทำให้ลอสีได้คิด และตั้งแต่นั้นมาพระองค์ก็เลิกการที่ให้พระระยาคณะเนี่ยมารับบาดอีกเลยเพราะว่าถ้าเกิดมีพระผู้เฒ่ารูปใดรูปหนึ่งเนี่ยเรือล่มจมน้ำตายคงเป็นบาปกับท่านอันนี้ก็เป็นอุบายของท่านนะที่ท่านแก้ปัญหาต่างๆหลวงพ่อโตก็เป็นพระที่ไม่ยึดถือยศถาบรรดาศักดิ์บางครั้งถ้าไปไหนท่านก็พายเรือเองมีอู่ครั้งนึงไปแสงธรรมที่แถวนนบุรีอ่ะ แสดงทาเสร็จเจ้าภาพก็ให้ผัวเมียที่เป็นบ่าวเนี่ยพายเรือระสค์ไอ้สองคนผัวเมียพายเรือบาก็รู้ท่าไม่ท่าไหนก็ทะเลาะกันด่าทอกันตลอดทางแหละจนหลวงพ่อโตเนี่ยออกมาให้สองคนเนี้ไปนั่งสงบสติอารมณ์อยู่ข้างในแล้วตัวท่านก็ออกมาพายเรือเองจนถึงวัดลักครังและเรื่องที่เอ่ยที่โจทย์คนโจดใจกันมากก็คือมีอครั้งหนึ่งเนี่ยท่านไป จะไปรับประทานอาหารเพลแล้วไปเทศงานแห่งหนึ่งแล้วนําพายศไปด้วยก็คงจะใหญ่พอสมควรแต่ช่วงนั้นเป็นช่วงที่น้ําลดไปเรือไปไม่ได้เรือของท่านก็มีลูกศิษย์อะภายให้ไงลูกศิษย์ก็ช่วยการเข็นเรือเพราะว่าเรือติดติดโคติดเลนท่านอยู่บนเรือเห็นว่าเข็นไม่ไปถ้าก็ถลกจีวรเนี่ยขึ้นมาแล้วท่านก็ลงไปช่วยเข็นชาวบ้านแถวนั้นเห็นท่านเข็นเรือก็ตะโกน เร็วๆๆพวกเรามาช่วยกันสมเด็จเขียนเรือโวยหลวงพ่อโตก็เอ่ยขึ้นว่าฉันขัวโตจ้าแล้วก็ชี้ปฏิพัทธ์ยศสมเด็จท่านอยู่บนเรืออันที่แปลลมขำของท่านคือท่านไม่ติดยศถาบรรดาศักดิ์แล้วก็ทําตัวแบบหลงตาบ้านๆภายเรือเองทํางานเองหลวงพ่อโตเนี่ยท่านมีชื่อเสียงในด้านของอิทธิฤทินะ สมเด็จว่าละคังเนี่ยองหนึ่งราคาต้องหลักล้านหลายสิบล้านแล้วก็หายากด้วยของปลอมมากที่สุดในประเทศไทยคนจะทําสมเด็จสมเด็จปลอมสมเด็จที่แท้จริงเนี่ยจะอยู่กับมือของเศรษฐีหรือเซียนผ้าจริงๆอธรมาก็ชอบหลวงพ่อโตมากสมัยที่เมื่อก่อนไปโยมก็เริ่มเข้าหาธรรมาก็เพราะหลวงพ่อโตนี่แหละโดยเริ่มจากการที่ไปวัลคัง เราก็ไปหาสวดคาถาชีบัญชรเพราะตอนนั้นอนมาม่าเขาอยากให้เราเนี่ยค้าขายดีงานจะลุ่งเรืองมีโชคลาภเนี่ยเราก็ตั้งใจสวดใหญ่เลยอามาหาสามวันมั้งก็สวดได้คาถาชีบัญชรเนี่ยแล้วก็สวดอยู่ประจําบางทีก็สวดเก้าจบ3มจบบ้างแล้วเหตุการณ์บางครั้งนั่งรถคนขับรถมันมันขับเร็ววัดเสียวแล้วก็ไม่มีที่พึ่งอ่ะเราก็สวดชีบัญชรใช้ยาสนากตาตลอดทางแหละ แต่ถ้าเกิดมันขับนุ่มนวนลเราก็ลืมเราก็ไม่ได้สวดเวลาเราเกิดทุกเดือนร้อนเราก็นึกถึงสิ่งที่เราพึ่งได้ทุกครั้งถ้าเราไปในะที่ที่ดูน่ากลัวดูน่าจะมีอาถรรพ์เรือต่างๆเราก็สวดชีพ น, นิชบัญชรก็ไปที่พทางใจได้อันนี้ความชอบส่วนตัวนะไปที่พึ่งแล้วก็ทําให้ได้บวบวดก็เพราะหรือพ่อโตนี่แหละ แต่เรามาออกมาทางฤทธ์นะเพราะว่าประกอบเป็นคนชอบคาถาคมพอบวชแล้วก็ยังงงอยู่ว่าตัวเองเนี่ยมาทางสวนโมกมาทางสายหลงวงเถียนได้ยังไงซึ่งมันแบบดูแล้วมันไม่น่าเป็นไม่ไ ด, ไไ ด, ไได้แต่ก็เป็นไปแล้วอะไรอะไรก็ไม่ได้เป็นเพอย่างที่เราเราคาดคิดไว้หรอกเป็นไปตามเหตุการณ์เพราะใหม่ๆเราก็งมงายเรื่องฤทธ์เรื่องอะไรอะ่ะพอตอนหลังจิตมันก็เปลี่ยนมามองเรื่องธรรมะเรื่องการดับทุกข์มากกว่าเรื่องฤทธ์ก็ไม่สนใจแล้วเดีย๋ยวนี้เรื่องคาถาคาถาอะไรพวกนี้ย หรือพักเครื่องต่างมันก็เลิกหมดแล้วสมัยก่อนก็เล่นพระแล้วก็ชอบคถาคมต่างๆแต่สิ่งเหล่านี้ก็ดับทุกไม่ได้ถึงดับทุกได้ก็คือธรรมะธรรมะแล้วก็มีสมาธิถูกต้องอย่างตอนแรกอะ่ะที่หลวงพ่อโตบอกไว้อะว่าโธสาเกิดขึ้นเมื่อเจออนิสาลมไงเจอรูปที่ไม่น่าดูแล้วก็เจอเสียงที่ไม่น่าฟางังกลิ่นที่ไม่น่าดม รถที่ไม่น่ากินไอ้แล้วก็สัมผัสที่ไม่สบายสิ่งเหล่านี้แล้วความคิดที่ถูกไม่ถูกใจเนี่ยมันมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้เราต้องมาเรียนรู้จากการที่อารมณ์กระทบเพราะคนเราอยู่กับโลกธรรมเราก็เจออารมณ์พวกนี้แหละมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์มีเสเสริมมีนิทาเราต้องมาเรียนรู้วอารมณ์ต่างๆที่เราเจอถ้าเราไม่รู้จักอารมณ์เราก็แก้ทุกข์ไม่ได้เวลาความโกรธมัทําให้เราโกรธ เราก็โกรธเลยเวลาใครมาชมเราเราก็ดีใจลอยได้ของถูกใจก็หัวเราะชอบใจเวลาเสียของก็เสียใจอะไรเงี้ยถ้าเราต้องมาฝึกอยู่กับสิ่งที่เราไม่ชอบใจไม่ถูกใจแหละเจ้เรื่องธรรมดาอย่างหลวงพ่อไปสารก็พูดเรื่องให้เราอยู่กับทุกข์ให้ได้อยู่กับทุกข์ยอนรับความเป็นจริงถ้าเราอยู่กับทุกข์ได้อารมณ์ต่างๆที่กระทบเราจากหนักก็กลายเป็นเบาจากเบาก็กลายหมดปัญหาไป แต่ถ้าเราไปเสดเราไม่ยอมรับความทุกข์เราจะเอาแต่ความสุขเราก็จะทุกข์แน่นอนเพราะว่ า, รราความทุกข์มีมากกว่าความสุขมีมากกว่าความสมหวังเราก็ต้องอยู่กับความผิดหวังให้ได้เพราะว่าความทุกข์เนี่ยจะเป็นอาจารย์เป็นครูสอนเราให้เราแข็งแกร่งยิ่งขึ้นทำให้เราจิตใจเนี่ยสามารถฟันฝ่าอุ่นวายไปได้เมื่อเจออารมณ์ภายนอกอารมณ์ภายในอารมณ์ภายนอกนี่ก็อาจจะเจอเรื่องหิวมั่งเรื่องทุกข์ทางเวีนาทางกาย ปวดฟันปวดเมื่อยตามเมื่อตามตัวหรือแก่ไม่มีเรี้ยวแรงหรืออากาศหนาวอากาศร้อนอะไรต่างๆมากมายอะเรื่องทางกายเรื่องทางใจก็คนมาชมเราคนเอาว่าเราหรืออะไรต่างๆมากมายอะเราก็ต้องมาเรียนรู้พอเรารู้เราก็สามารถอยู่กับอารมณ์ภายนอกอารมณ์ภายในได้รู้ท่าทาอารมณ์เราก็มาเจินติสร้างความรู้สึกตัว เพาถ้าเราเจริญสติอุศ์ต่างๆก็เข้ามาถ้าเราไม่เจริญสติไม่สร้างความรู้ตัวเราก็หลงเป็นกรามความคิดทุกความคิดอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้อนาพูดมาก็เห็นว่าสมควรเก็นเวลาข้อคิดข้อธรรมของหลวงพ่อโตก็คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยเป็นเครื่องสอนใจเราเอวัง